รวมจิตใจของตนให้ดีเรามารวมกันที่ศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อที่จะฝึกตนเป็นการฝึกตนรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะเพื่อเสริมกำลังใจ ให้แก่กล้าให้แข็งแรงขึ้นถ้าทำความเพียรอยู่แต่ตัวคนเดียวบางทีมันก็เลยย่อท้อไปก็มีเมื่อทำจิตให้สงบไม่ได้ก็เลยเกิดความย่อท้อขึ้นมาอย่างนั้นเราได้มารวมกันหลายผู้หลายคนเอาไปแล้วมันก็มีกำลังใจเพิ่มขึ้น คนนั่นก็อดคนนี้ก็ทนเข้าไปอย่างนี้นะมั่นก็เลยผู้ที่ความมีความอดทนน้อยก็เลยมีความอดทนมากขึ้นเมื่อเห็นผู้หนึ่งอดทนได้ออย่างนี้นะพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ปองรองสาวะคีกันนั่นแหละให้รักให้กันร่วมสุขร่วมทุกข์กันไปได้ ไม่รังเกียดตังแกกันการปฏิบัติธรรมนี่ขอย่างว่าบางคนก็สามารถช่วยตัวเองได้คนเดียวแต่บางคนช่วยตัวเองไม่ได้ท้องอาศัยหมูอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นกลัวว่าเราจะรวมกันเป็นหมูได้เนี่ย มันก็ต่างคนต่างเจริญเมตตาจิตต่อกันและกันมีความเอ็นดูกรุณากันโดยฐานที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่เรามองกันด้วยความปรารถนาดีต่อกันเช่นนี้แล้วเราอยู่รวมกันหมู่มากมันก็เจริญไปได้ มันก็เจริญด้วยบุญด้วยกุศลเจริญด้วยคุณธรร ม, มเพราะว่าความเจริญอันนี้เนะี่ยมันเนื่องจากมาต่างคนต่างก็ทาความดีเข้าไปให้มากมากเข้าไปแลนะความดีมันของหลายคนรวมกันเข้ามันก็ทำให้มีพลัง แก่กล้าทำใม่จิตใจของเรานั้นดูดดื่มในศีลในธรรมในบุญกุศลไม่เบื่อนายเพราะเหตุว่าเรามันมีหมู่เพื่อนที่ร่วมสามัคคีกันต่างคนต่างก็ไม่เกียดคล้านทำความเพียร ทำความเปลี่ยนพยายามทำกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจนี่แหละความสามัคคีนะให้พากันเข้าใจใครทำอะไรไม่ถูก อ, อกถูกใจก็อภัยให้เขาไปไม่ถือสาหาความอะไรอย่างนี้มันก็แล้วไป ไอ้กิเลสมันก็ไม่เกิดเราเอาโหสิกรรมกันไปเรื่อยๆแล้วก็กิเลสมันก็ไม่เกิดมืน น, นี้นเนี่ยมันก็มีแต่ธรรมะคือเมตตากรุณาเกิดขึ้นในใจไปอย่างนั้นดังนั้ น, เ, นเราเกิดไปโลกนี้ก็มาอยู่ใน ความแวดร้อมของคนหมู่มากไม่ว่ายุคใดสมัยใดเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะมาตัดสร้ในโลกประชาชนผู้มีบุญวัฒนาบารมีก็ไปร่วมสามีกันในวัดปาอารามปฏิบัติธรรมเมืม่อพระพุทธเจ้าเนตแนวทางให้แล้ว ก็พากันลงมือกระทำเมื่อกลัวตัวสินของตนบริสุทธิ์ดีแล้วเช่นนี้ก็ตั้งหน้าทําความเพียรทางจิตเข้าไปอก่อนอื่นเราต้องกลัวตัวตสินซะก่อนนี่ถ้าสินไม่บริสุทธิ์แล้วจะทําความเพียรทางจิตใจก็ไปไม่รอดมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอืม เมื่อกลว ด, ดูสินตนไม่ได้ทำผิดพลาดในข้อสินอะไรมาแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันเดี๋ยวนี้เมื่อพิจารณาเห็นความบริสุทธิ์ของตัวเองอนี้มันก็เกิดปีติขึ้น เ, เกิดความเอิ้ออิมใจขึ้นมากำลังใจก็เข้มแข็งไปนี่เมื่อภาวนาน้อมใจลงสู่ความสงบ ใจมันก็สงบลงได้ง่ายเพราะว่ามันมีศีลเป็นเครื่องรองรับมันไม่ได้มีกิเลสเป็นเครื่องรองรับเหตุนั้นจิตมันจึงสงบลงได้ง่ายศีลได้ชืนน่อว่าเป็นพื้นฐานของบุญกุศลทุกอย่างเลยผู้ใดจะทําทบุญกุศลประเภทใดๆก็ดี ถ้ามีศีลเป็นพื้นฐานแล้วบุญกุศล น, น, นั้นยอมเจริญขึ้นได้ตลอดถึงภาวนาจิตใจก็สงบังับได้ไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจ เมื่อเราเข้าใจแนวทางปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราปรารถนาความสุขปรารถนาให้พ้นจากทุกข์้อก็ต้องพยายามนีสินยังไม่บริสุทธิ์ก็ทำสินให้บริสุทธิ์ไปเพราะว่าสินนี่มันเกิดจากเกตนาวิรัติละเว้นถ้าพี่นาเห็นว่าสินข้อใดไม่บริสุทธิ์ อย่างนี้เราก็อธิษฐานใจขึ้นไปอธิษฐานใจว่าจักไม่ล่วงเกินอในข้อศีลข้อนั้นต่อไปอย่างนี้นะสัมรวมระวังด้วยดีต่อจากนั้นก็สัมรวมระวังให้อย่าให้ศีลมันด่างมันพร้อยมันขาดไปอืมอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าเมื่อเาาพิจารณาเห็นว่าตนไม่มีศีลไม่บริสุทธิ์ข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้บริสุทธิ์ได้ไม่ใช่อย่างนั้นอันศีลของผู้ที่ไม่ใช่นักบวชนะั้นอมันก็ มีขาดไปบ้างแล้วก็มีมาบ้างมันก็อยู่ที่จิตการรักษาจิตใจนั่นแหละการรักษาจิตไม่ให้คิดไปทางบาปอากุศลไม่คิดไปทางเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้นะก็ชื่อว่าจิตนั้นเป็นกุศลออเพราะรักษาได้ดีไม่คิด เกลียดคนโน้นชังคนนี้อหรือว่าเกลียดสัตว์ดะไรฉานตัวนั้นตัวนี้บอกอะไรอย่างงี้นะอย่าให้มันเป็นนะจิตใจนั้นนอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาก็ธรรมดากิเลสนั่นแหละไม่ใช่ธรรมดาเห็นแจ้งในธรรมของจริงอืม ธรรมดากิเลสเมื่อพอใจก็ดีอกนี้ใจทำไมพอใจก็เศร้าใจงุ่ดงิดออย่างนี้เลยชื่อว่าใจมันแช่่ด้วยกิเลสเป็น่งนั้นการที่ใจจะเป็นปกติอยู่ได้ก็เพราะอย่างที่ว่านะเราเพ่งความรู้สึกอันนี้ ให้มันเข้มแข็งให้มันแน่วแน่เพ่งไม่ให้มันคิดส่งสายไปทางอื่นให้มันรู้อยู่ในปัจจุบันต้องฝึกเพ่งเอาอย่างนี้นะเมื่อใจมันถูกเพ่งไปมาแล้วมันก็มีกำลังแก่กล้าขึ้นเข้มแข็งกิเลสก็ครอบงมจิตไม่ได้มันเป่งงานเลื่องมา น, นะ ถ้าว่าคนใดเมื่อฝึกจิตได้เข้มแข็งแล้วแม้จะมีความรู้ยังไงยังไงก็ท่างมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้กิเลสมันก็ว่าปั่นจิตให้วุ่นวายฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่นั้นแหละนั่นนี่เรียกว่าเมื่อไม่ฝึกให้ใจนี่เข้มแข็งแล้วใจมันก็อ่อนแอบนี้นะมันเป็นอย่างนั้น เหมือนยังตำรวจทหารเขาจึงต้องฝึกเสูอเสมอๆร่างกายนี้มันจึงแข็งแรงได้ถึงต่อสู้กับขาศึกได้ฉัน้นใดจิตนี้ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยพขามันฝึกให้มันสงบให้มันตั้งมัน่น อ, อยู่ในบุญในคุณ เมื่อมีบุญมีคุณเป็นเครื่องอยู่แล้วกิเลสมันรบ ก, กวนมามันก็ไม่วันไหวมันก็ไม่ตื่นเต้นไปตามกิเลส จ, จิตก็ไม่พุ่งไปตามหน้าของกิเลสนั่นเนี่ยถ้าคนใดไม่มีคุณธรรมไม่มีบุญกุศลไม่มีคุณพรนธะนาคไรเป็นเครื่องอยู่ในใจแล้ว แน่นอนนะกิเลสมันรบ ก, กวนมาเมื่ อ, อไหร่ก็หวนหลือไปตามมันเมื่อนั้นห้ามจิตไม่อยู่เพราะไม่เคยห้ามมันมาแต่ก่อนอย่างนั้นดังนั้นคอยพาันเข้าใจความหมายของการปฏิบัติธรรมความหมาย ย, อยอ่อดๆก็เพื่อฝึกจิตใจ ใ, ให้เข้มแข็งนั่นเองเนี่ย ให้เข้มแข็งอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่นะกล่าวโดยย่อๆแล้วมันมีความหมายอย่างนั้นเช่นอย่างว่าท่านสอนให้ทำสมาธิอย่างนี้นะก็เพื่อให้เพ่งจิตนี้ให้มันสงบให้มันตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณนั่นแหละไม่ใช่อย่างอื่นใดถ้าหากว่าไม่เพ่งจิตให้ตั้งมั่นลงอย่างนั้น บุญคุณก็ไม่เกิดอืมแม้บุคคลสร้างบุญส้างกุศลไปบุญกุศลก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าใจอ่อนแอแล้วอมันเป็นงั้นดังนั้นเมื่อเพ่งใจให้ยินดีพอใจอยู่ในบุญในคุณแล้วก็นั่นแหละบุญคุณก็ช่วยจิตทําให้จิตท่านสงบได้อ ถ้ไม่จิตตั้งมั่นลงไปได้มันเป็นอย่างนั้นท่อยที่ท้อยอาศัยกันนะแต่การฝึกจิตนี่นะมันเป็นสิ่งจำเป็นแท้ๆถ้าผู้ใดไม่คิดที่จะฝึกขวนจิตดวงนี้แล้วก็ไม่พ้นทุกข์สักทีก็เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่อย่างนี้นหละ ถ้าหากว่ามันเผลอรหรือมันหลงไปมากๆไปทาบาปทำกรรมเข้าไปมันก็ยิ่งได้รับทุกข์ทนทรมานมากมันเป็นงั้นแต่คนเรานะไม่ค่อยเชื่อคำสอนของพระเจ้าไม่ค่อยเชื่อหลักไม่ค่อยเชื่อสวรรค์ไม่ค่อยเชื่อพานิพาน ทั้งนี้ก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะมันสาวหาต้นเหตุหรือสาวหาหนทางไปสวรรค์ไปพนิพานไม่ได้นั่นเองเนี่ยมันจึงไม่เชือ่อผู้ที่เชื่อราอเหตุว่าได้พิจารณาตามคาสอนพระตัยเจ้าแล้วกดเชื่อมั่นในใจว่าศีลมารักษาให้บริสุทธิ์ดีแล้ว ไม่มีบาปมาครอบความจิตใจแล้วจิตใจมันก็สูงส่งนี่เป็นทางไปสวรรค์ก็รู้ได้รู้ได้ชัดชัดเลยว่าเดีย๋ยงคำว่าสวรรค์นั่นแปลว่าสถานที่เลิศหมายความว่าเป็นสถานที่ไม่ยุ่งเหยิงไม่เดือดร้อนอ เพราะว่าผู้ที่ไปเกิดสวรรค์เป็นเทวเทวดาล้วนแต่ได้ฝึกตนไปจะเป็นมนุษย์ฝึกตนให้เป็นคนใจดีใจมีเมตตากา ร, ารุณาฝึกก็ให้คิดเบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นแม้คนอื่นสัตว์อื่นจะมาเบียดเบียตนตนตนก็ให้อภัยไปไม่ถือสาหาความถ้าตอบโต้กันไปก็เป็นเวีนกันเมื่อเป็นเวีนต่อกันแล้วก็ไปสวรรค์ไม่ได้ เวนกรรมอะไรมันจะนำมาเกิดในโลกนี่มาพบกันเข้าแล้วก็มาทะเลาะกันมาเบียดเบียนกันอีกแนวจะไปสวรรค์ได้ยังไงอ่ะอันเนี้นนยนนผู้ที่ท่านไปสวรรค์ได้เพราะว่าเมื่อเป็นมนุษย์อยู่ในโลกปฏิบัติธรรมก็สํารวมกายวาจาใจของตนให้ดีไม่ให้ไปกระทบกระทั่งคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อน รู้จักให้อภัยแก่คนอื่นถ้าฝึกตนางนี้มากๆเข้าไปแล้วมังกอนั่นแหละไปสวรรค์ได้เลยสวรรค์เป็นสถานที่เลิศก็กหมายความว่าเรามาปรับปรุงขีดตรงนี้ให้เบิกบานให้พองใช้ให้สงบระงับจากบาปอากุศลแล้อย่างนี้นะ ตนเองก็รู้ตัวเองได้วันนี้อ๋อจิตตนเองจิตดวงนี้มันเป็นสุขสบายแล้วมันไม่มีบาปละบาปเสร็จแล้วมีแต่บุญกุศลอยู่ในจิตนี้เมื่อเป็นเช่นนี้มันก็เกิดปีติในคุณงามความดีของตัวเองอจิตใจก็ผ่องใสสะอาดท่านจึงเรียกว่าสวรรค์ สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเป็นไงนสวรรค์จึงว่าอยู่ในอกเมื่อปรับปรุงจิตใจได้ให้พองใสสะอาดแล้วมันก็เป็นสวรรค์เมื่อสวรรค์เมืองมนุษย์มีแล้ววันนี้สวรรค์ในโลกหน้ามันก็มีแล้ววันนี้นะถ้าทาจิตให้เป็นสวรรค์ไม่ได้ในชาติเป็นมนุษย์เนี่ย ตายแล้วก็ไปสวรรค์ไม่ได้เป็นเทพบุตรเทวดาไม่ได้เลยอืเพราะผู้จะเป็นเทพบุตรเทวดาต้องมีคุณธรรมต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์ต้องมีเมตตากรุณาไม่พยาบาตรจองเวรใครต่างกล่าวมาแล้วนั้นนะอืนี่แหละใจของเทพบุตรใจของเทวดาให้เข้าใจ ดังนั้นท่านผู้ที่ไปเกิดบนสวรรค์ลแล้วจึงว่าไม่มีการเบียดเบียนกันเทวดาทั้งหลายต่างคนต่างก็ใจบุญกุศลมีเมตตาอารีต่อกันจึงมีความสุขได้ความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกพระพุทธเจ้าตรัสาไว้นั่นแหละแต่โลกมนุษย์นี่เป็นโลกผสม มีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วเพียงนั้นดังนั้นเนี่ยมันจึงอยู่ยากคนดีก็อยู่ยากในโลกอันนี้นะคนดีพอทำความดีไปมีเงินมีทองมีลาบมียศเข้าไปไอ้คนชั่วมันก็คอยขัดขวางมันกลัวจะล่าหน้ามันอคอยกระทบกระทั่งอยู่ยงั้น เอ้าถ้าจะไปตอบโต้กันไปกับคนพานเนี่ยก็จะเป็นเวรกันไปตัวก็เลยจะกลายเป็นคนชั่วช้าลามกไปกับเขาเมื่อเมื่อรู้ได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ตอบโต้ใครรักษาจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเสียให้ได้แล้วก็ไปสวรรค์ได้คูณ น, นะมันเป็นงั้น ดังนั้นพูดที่เทวเทวดายบนสวรรค์ซึ่งไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็สเสวยผลบุญของใครของเราอยู่นี่ใครจะไปแย่งเอาสมบัติของกันไม่ได้เลยบนสวรรค์นะเป็นางนั้นเพราะว่าเทวดานั้นเป็นผู้มีบุญมากสั่งสมบุญได้มากตั้งแต่เป็นมนุษย์เนี่ย อนุภาพแห่งบุญนะเมื่อนําไปสู่สวรรค์แล้วมันก็ครอบมันก็ครอบครองสมบัติพัสถานทั้งหลายที่มันเกิดด้วยบุญนะั้นไว้ได้ใครจะไปแย่งเอาไม่ได้เลยเหตุนั้นเทวดาก็จึงไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะมีสมบัติมากมีสมบัติมากก็ไม่ได้ป้องกัน ร, รักษา เหมือนอย่างสมบัติของมนุษย์เพราะไม่มีใครลักของกันในกันรอดแต่บรรพุมีศีลถั้งที่เป็นมนุษย์นี่บริสุทธิ์ดีแล้วจึงไปเกิดเป็นเทวตรเทวดาแล้วนั้นเมื่อไปเป็นพเทวตรเทวดาแล้วมันก็มีศีลติดตัวไปก็ไม่ได้ละเลยในศีลเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยถึงว่า ลากิเลสยังไม่หมดในชาตินี้เอาเถิดบุญบา ร, รมียังไม่แก่กล้าพอแล้วก็พยายามรักษาสินในบริสุทธิ์ไปทําความดีอย่างอื่นๆประกอบเข้าไปอย่างนี้นะแล้วบุญบา ร, รมีนะั้นมันก็จะค่อยแก่กล้าขึ้นไปเมื่อมีสินดีแล้วทําอะไรก็เป็นบุญกุศลทางนั้นแหละถ้ามีสินดีแล้วนะ มันเป็นอย่างนั้นพูดถึงภาวนามันก็ไม่มีบามาร ก, กวนอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหล ะ, ะเมื่อเมื่อไม่มีบาบรร ก, กวนแล้วจิตใจมันกระดิ่งลงสู่ความสงบได้มันก็ต้องการความสงบในจิตนี่นะแต่ว่าผู้นั่นหักไปยึดเอาบาบไว้บาบมันก็มารบ ก, กวนเอา มันก็แสวงหาความสงบไม่ได้อ่มันเป็นงั้นแต่ต้องการอยู่ความสงบนี่นะต้องการอยู่แต่ว่าตนถ้าไม่ไม่ละกิเลสอันฝ่ายชั่วเหล่านั้นเมื่อตั้งใจทําความดีไปไอ้กิเลสฝ่ายชั่วเหล่านะั้นมันก็มาขัดขวางอย่างงี้นะอ่าคิตใจก็ะลออ่อนแอทอแท้ลงไปเป็นอย่างนั้น ดังนั้นนะคอยพากันตั้งอกตั้งใจเรานบว่าเป็นบุญวาสนาอันประเสริฐแล้วที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนานี่เราได้รู้จักทางแห่งความทุกข์รู้จักผนทางแห่งความสุขได้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นเรื่องชี้บอกทั้งสองทางเลย เมื่อรู้อย่างนี้ทางไปสู่ทุกข์เราก็ไม่เดินอืออย่างนี้แหละเราก็เดินไปในทางที่จะไปหาความสุขความเจริญเท่านั้นเป็นอางนั้นเหตุนั้นจึงชื่อว่าเป็นลาบอันประเสริฐผู้ใดได้มาเลื่อมใสนับถือพระพุทธศาสนานี้นับถือแรงกลา้า จ, จนถึงลงมือปฏิบัติฝึกตนให้เป็นไปตามศีลตามธรรม ตรงไปตรงมาจริงๆไม่อ้มอมค้อมหมายความว่าไม่เบี้ยวต่อคำสอนของพระพุทธเจ้ามเมื่อตนเห็นว่าคำสอนพระพุทธเจ้านี่เป็นนิยานิกระทั่มนาผู้ปฏิบัติให้พ้นทุกข์ก็ได้จริงๆอย่างนี้น ะ, ะแล้วก็มั่นใจลงไปสิจะไปสงสัยลังเลทำไมอ่ะนั่นเอง มั่นใจลงไปเมื่อใจตั้งมั่นลงแล้วคุณธรรมต่างๆมันก็เกิดขึ้นเช่นหิริโอตปะความละอายแต่การกระทำความชั่วโอตปะความกลัวกลัวต่อผลแห่งกรรมชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างนี้นะ ถ้าใจตั้งมั่นแล้วมันเกิดฮิริโอตปาธรรมขึ้นมาคนเราเป็น่งนั้นใจตั้งมั่นแล้วมันเกิดกะตัญโยกะวเวธิตาธรรมขึ้นมาระลึกถึงคุณอุปการะของท่านผู้มีอุปการะแก่ตนได้เช่นมารดาบิดาเป็นต้นเหล่านี้สามารถระลึกได้เลย เปอย่างนั้นถ้าใจนี่มันขาดกตัญญูกตวเวทีตาทำซะแล้วเช่นนี้นี่มันก็ะระลึกถึงคุณอุปการะของท่านผู้วางเกิดเกล้าคือมารดาบิดาไม่ได้เลยโดยเข้าใจว่าตนนั้นดีคนเดียวอืไม่ได้อาศัยคนอื่นมันหลงมันเมาอ่ะ ตอนนั้นแหละทังที่ตอนอาศัยมารดาบิดาเป็นแดนเกิดแท้ๆยังลืมคุณอุปการะของท่านได้อำนากิเลสนี่มันเป็นอย่างนี้แหละคุณพระพุทธเจ้าคุณวราธรรมคุณว่าสงฆ์หมู่นี้เราต้องมันระลึกเสมอๆ ม, มีฉะนั้นแล้วมันก็ใจมันจะกระด้างกระเดืองนะมันจะไม่ มันจะไม่น้อมตนลงสู่ธรรมสู่วินัยสู่คำสอนพระพุทธเจ้าได้เต็มที่อ่าเพยงงั้นดังนั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจเราตั้งใจได้ในชาตินี้ละความชั่วได้ในชาตินี้ตั้งใจสะจสมกุศลคุณงามความดีให้มากขึ้นในตนแล้วเช่นนี้เนี่ย ในชาติต่อไปมันก็ไม่ได้ประสบกับความทุกข์บุญกุศลที่เราสั่งสมในชาตินี้มันก็ตามอํานวยผลให้มีความสุขความเจริญจะไปเกิดเป็นคนบุญกุศลก็ตามไปรักษาไม่ให้ชีวิตนี้ถึงภัยพิบัติอันตรายต่างๆมากรากลายไม่ไม่ไม่ให้ภัยอันตรายต่างๆมากรากลายชีวิต อ่าอนุภาพของบุญกุศลเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจะไปเกิดที่พบในชาติหนบุญกุศลก็ตามไปรักษาอย่างเช่นเรามาเกิดในชาตินี้เลยเรามีชีวิตยอยู่ได้ไม่ถูกฆ่าไม่ตายโหงโดยประการต่างๆอย่างนี้นะนับว่าบุญคุณอันน้นนะตามรักษาเราอืม บุญกุศลคุณพระรัตละไกตามรักษาอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีดังนั้นชีวิตนี้จึงปลอดภัยจึงไม่มีภัยอันตรายใดๆไอบุคคลที่ตายโหงตายหาอายุนั้นล้วนแต่เป็นผู้ไม่มีกุศลธรรมอยู่ในใจไม่มั่นอยู่ในคุณพระรัตละไกร จิตใจนั่นไปทางบาปอากุศลมาก อ, อย่างนี้นะเมื่อมันหมุนไปทางอากุศลมากมันก็เลยใช้กายวาจาไปทำไปพูดกระทบกระทั่งคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนต่างคนต่างมีกิเลสเหมือนกันกระทบกันเข้ามันก็เกิดโทสะพยาบาทขึ้นมา จองล้างจองฐ่านกันเข้าไปนี่นะนี่แหละการที่บุคคลไม่รู้จักห้ามจิตของตนไม่รู้จักควบคุมจิตอันนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วชีวิตนี้มิจะตกต่ำเลยไปถึงเกิดเป็นคนมาพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าเป็นโมฆะบุรุษ โมฆะสตรีเรียกว่าเป็นบุรุษเปล่าเป็นสตรีเปล่าเกิดขึ้นมามีลูกมีนามแล้วไม่สามารถที่จะสั่งสมบุญกุศลคุณพระตระไกรให้เป็นที่พึ่งของตนได้หน้าเสียดายอใอยคิดให้ดีเขาว่าเมื่อเราไม่ทำกุศลคุณงามความดี อยู่นานปีนานเดือนไปก็ความแก่ความเจ็บป่วยไข้กับครอบงมเข้าไปแต่ที่สุดก็ตายเมื่อตายไปแล้วไม่มีบุญกุศลติดตามไปอำนวยผลให้เป็นสุขมันก็ลงทุกข์เท่านั้นเองคนเราถ้าไม่มีบุญแล้วก็ได้ประสบทุกข์แหละให้เข้าใจถ้าผู้มีบุญติดตัวอยู่แล้วให้ไปเกิดที่ไหนก็มีความสุขที่นั้นเลยอเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น เมื่อได้สดับสรับฟังอุบายธรรมะอันเป็นเครื่องอบรมจิตต่างกล่าวมานี้แล้วก็พึ่งพากันจำอุบายตกางเหล่านี้ไว้แล้วฝึกตนไปเรื่อยๆอย่าไปคอยต่ผู้อื่นตักเตือนอย่างเดียวตนและต้องสอนตนต้องเตือนตนมันถึงจะลกความชั่วทำความดีได้ ดังแสดงมาขอจบพลงเพียงเท่านี้